ก็ประมวลสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นทั้งหมดนี้เป็นทุกขสัจความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เป็นสมุทยัทยสัจถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปเนี่ยนะด้วยดับชันทราคาหมดเป็นนิโรธสัจจะเนี่ยนะข้อปฏิบัตินั้นก็เป็นมรคสัจจะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วอ่ะนะทุกขสัจควรทําทั้งหมดเนี่ยคือปริญญาปริญญาอย่างที่กล่าวไปว่าถ้าแยกว่ารูปมีสีนะมีสมุธฐานสีเสียงมีสมุธฐานสองกลิ่น รถโพธภามีสมุทฐานสี่ธรรมะเนี่ยมีสมุทฐานหนึ่งก็มีสองก็มีสามก็มีสี่ก็มีเนี่ยนะถ้าแยกได้อย่างนี้แล้วานะการที่จะพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นต้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นของยากอะไรเนีย่ยนะก็ได้นะวัตถุอารมณ์วิญญาณภาษาเวทนาสัญญาเจตนาตันหาวิตกวิจาร์ขันอายตนะธาตุปฏิจจสมุปบาทเมื่อเข้าใจาอย่างนี้ก็คูณ คูณสามไว้เสมอสามคือการสามอดีตอนาคตและปัจจุบันถ้าจะว่าให้ตรงคูณอีกสองด้วยภายในกับภายนอกถ้าจะละเอียดเยอะอีกก็คูณอีกสองคื อ, อยาละเอียดเลวกับประนีตไกลกับใกล้นะก็เป็น11ชุ ด, ดนะี่ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยง เพราะทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปของในอดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตของในอนาคตก็จกสิ้นในอนาคตของปัจจุบันก็กําลังสิ้นในปัจจุบันเนี่ยนะภายในก็สิน้นภายนอ ก, กจะเหลือหรือใช่ไหมแล้วที่หยาบยังเสียแล้วละเอียดจะอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะที่เลวก็ยังเสียหายที่ประณี๊ยก็เสียหายเหมือนกันของใกล้กับของไกลจะต่างกันยังไงอันเะนีเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเราอายุ เราเกิดพร้อมกันเนี่ยนะคนนี้เกิดที่เมืองไทยกับคนที่เกิดอเมริกาเนี่ยถ้าอายุเท่ากันน่ยนะถ้าเจิเหมือนกันมันจะไม่แก่เหมือนกันหรือไงแล้วก็ก็ ก, ก็อายุมันก็มากไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะการไปไข้ครวนตามนั้นเรียกว่าวิปัสนาเนี่ยนะที่ที่ลองฝึกคิดแยกแยะในแง่วัตถุหรืออารมณ์วิปัสนาเนี่ยนะ เห็นสีอย่างเดียวแล้วต่อไปหาธรรมะกลุ่มอื่นได้ไหมตรงเนี้คือคือสําคัญในเบื้องต้นที่จะแยกให้เป็นะนะถ้าใครที่ชอบคิดอะไรแบบละเอียดละเอียดน่นนะเช่นเห็นสีสีอันนั้นเนี่ยสีตําแหน่งไหนต่อด้วยวัตถุได้ไหมเช่นเห็นตาใสายแป๊บอย่างเงี้ยนะเห็นตาจริงๆไอ้ที่เห็นนี่มันเห็นสีแต่รู้ว่าสีนั้นเนี่ยเกิดร่วมกับจักรคู่ภาษาะ รู้ได้เนะียก็ยังรู้ไปที่ตาด้วยเมื่อรู้ตาเนี่รู้ด้วยไหมว่ามันมีโพธาะอยู่ในนั้นมีปัทวีอาปโปเตโชใจเนี่รู้ได้ไหมอันนี้พูดถึงกิจกรรมทวารใจนะรู้ได้เพราะที่เห็นจริงๆมันเห็นสีหลังจากนั้นเป็นเรื่องของทวารใจที่เข้าไปรู้แต่ใจอันนี้เป็นใจที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาหรือใจที่มีปัญญาเนี่ยนะใจที่มีการศึกษาแล้ว ใจที่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับเนี่ยนะได้สดับแล้วเขาก็ใคร่ควรตามคําสอนว่าแล้วในในตาเนี่ยมีเสียงอยู่ด้วยไหมใครเคยกลิ้งตาแล้วมีเสียงบ้างไหมเคยไหมถ้าอยู่เงียบๆนะมันจะมีรู้สึกมีเสียงถ้าเราอยู่เงียบๆเนี่ยลองกระพริบตาหรือกลิ้งตาไปมาเนี่ยนะมันจะมีเสียงแต่ต้องอยู่เงียบๆนะเช่นอยู่ในถ้าหรือในอะไรที่มันเงียบๆนะ มันจะได้ยินเสียงมันมีเสียงอย่จริงๆนะการกลิ้งตาไปมาเพราะปฐวีกระทบกับปฐวีอยู่ในนั้นแต่ว่าใครจะได้ยินหรือไม่เท่านั้นเอง <c oughs> แล้วตานี่มีกลิ่นไหมมีแน่นะแต่ว่าไม่มีใครไปดมลึกซึ้งขนาดนั้นหรอกแต่รู้ว่ามีกลิ่นแน่ดูรู้ได้จากไหน <c oughs> ก็มีขี้ตาเป็นต้นเนี่ยนะ <c oughs> แล้วมีรถไหมตาทูยังมีรถเลยใช่ไหมแล้วตาคนจะไม่มีรถได้ยังไงแล้วมีโพธาภาไหม เคยกดตาไหมอย่างนั้นนะก็มีโพตาภะปัทวีเตโช ว, วาโยโพตาภารมแล้วในนั้นก็มีธรรมอารมคืออาโปโ อ, อยู่ในนั้นด้วยแล้วตาอันนั้นก็เป็นวัตถุคืออะไรวัตถุคือจักรคูปสาทะแล้วก็รอบๆสัมภาระก็มีกายประสาทะอยู่ด้วยก็เป็นทวารเป็นที่ตั้งของถ้าจักรคูปสาทะก็เป็นที่ตั้งของกายวิญญาณ จักขู่ทวารวิถีทั้งหมดเนี่ยนะจักขู่ทวารวิถีที่จะเกิดเพราะอาศัยผ่านตามีอะไรบ้างก็ปัญจทวาราวัชนะหนึ่งทวิปัญจคือจักขู่วิญญาณสองสัมปติชนะสองสันตีรณะสาโวทัปณหน 1, นะึ่งชาวณะอากุศล12มหากุศลแปดหัสิตุปาทจิตหนึ่งกิริยาจิตอีกไม่ไรหมากิริยานะหมากิริยาอีก8 แล้วก็ตาานลมมนะอีก11เนี่ยนะที่เกิดต่อจากทวารตาเนี่ยจิตเหล่านั้นเกิดต่อได้โดยที่ผ่านทวารเนี่ยนะจิตเหล่านั้นเกิดสายจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมาสามอย่างประชุมกันก็เป็นทัศน์ทัศนเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาสเสวยอารมณ์กับสิ่งใดสัญญาก็จําหมายในสิ่งนั้นเจตนาก็จงใจในวัตถุอ น, นั้นนะนะชอบไหมในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้เนะี่ยชอบ ตัณหาคิดถึงวิตักกะถึงใครครวนพิจารณาไปเรื่อยก็เป็นวิจาร์ถึงและในที่เดียวนี้เป็นที่ตั้งของอทั้งจิตทั้งเจตสิกวัตถุทวารมิ ญ, ญาณอารมณ์นั่นเองถ้าประมวลทั้งหมดที่กล่าวไปทั้งหมดก็คือขันประชุมความประชุมของขันเป็นความประชุมของอายตนะเป็นความประชุมของธาตุที่รับรู้ได้เพราะมีจักขุนี อาศัยจากขุนศีเป็นใหญ่ให้ให้ให้ใหรู้ให้เห็นอาศัยมนินศีเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรอาศัยปัจจัยเหล่าใดก็มายืดให้เป็นปฏิจจสมุปาทมองเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะภายในายภายนอกสิ่งเหล่านั้นก็สิ้นไปเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละจึงสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน้ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระการเข้าไปไข้ครวญตามนี้เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะถามว่า ใช้คําว่าเจริญใช่ไหมคิดอย่างนี้ครั้งเดียวพอไหมไม่พอแล้วคิดแค่ไหนดีคิดเยอะๆเลยแล้วเขาบอกว่าก็บอกว่าเออเป็นคารวาสแล้วอยู่อย่างนี้คิดไม่ได้มากบวชดีกว่าจะได้ไปคิดอย่างนี้เยอะๆอย่างเงี้ยบวชซ้ำมัวแต่โน่นก็นี่มันไปฉันหน่อยเลยไปคิดเดีนี่ฉันแล้วก็คุยอะไรกับเขาอะนัยาวเลยก็นี่ ศาสตตุกลับมาแล้วคิดถึงเรื่องนี้นะไม่ใช่ไปคิดแต่เรื่องฉันกลับมาเนี่ยยุ่งเลยเรื่องฉันเนี่ยนะวันพรุ่งนี้จะฉันนี่นะกลายเป็นว่าไม่ได้เท่าเข้าเข้ากิจที่ตั้งไว้เลยนะปิยรูปศาสตรรูป เดี๋ยวเรียนอริยสัจจะกล่าวถึงละเอี Laura. <c oughs> <c oughs> ยดอีกครั้งหนึ่งเสียงดีมไหมไม่ไก่ครับค่ะอ๋อมันปลุกใช่ไหม นาพราะองค์จึงบอกว่าจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดจะประโยชน์อะไรด้วยการหลับ <c oughs> แก่เธอผู้เล่าร้อนด้วยโรคคือกิเลสมีประการต่างๆนะถูกลูกสอนคือราคะเสียดแทงแล้วเพราะฉะนั้นจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดหนึ่งเมื่อกี้กล่าวถึงทานอย่างหนึ่งศีลอย่างหนึ่งภาวนายอย่างหนึ่งถ้ามีการขยายเพิ่มเติมนะ ที่เป็นทานกนะุศลคืออุทิศส่วนกุศลเรียกว่าปฏิทานะไมก็คือให้ส่วนบุญเคยไหมทําแล้วก็ยังให้บุญอนะันนั้นอีกทําบุญแล้วให้บุญเน่ยน ะ, สะแสดงว่าไม่ยึดเลยนะทำบุญแล้วก็ยังให้บุญได้นะด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชาผู้เลิศคุณและอาจารย์ผู้เกือ้อหนุนทั้งพ่อแม่และพวงญาติเนี่ยนะบาลีว่าอิเมนาปุญญกามินาอุปชายาคุณุตาราจาริยุปการาจารย์เนี่ยพวก ก็อุทิศให้ไปด้วยนะอย่างของเราก็พาวุทิศทุกวันอะ่ะผู้การธนัตภาว่ายั้งนะ น, นะคือว่าอุทิศ ส, ส่วนบุญนี้ต่อไปอนุโมทนาส่วนบุญถ้าเข้าให้เราก็รับใช่ไหมเออเนี่ยไอการรับแล้วมันเป็นบุญเนี่ยนะแล้วสงเคราะห์เป็นทานด้วยรับแล้วเป็นทานนกะุศลคืออนนี้อนุโมทนาเ อ, อสาธุานะยินดีด้วย อ, อันนี้แหละเป็น บนอยู่ในกลุ่มทานที่ทานแล้วปลีกย่อยไปอีกส่วนศีลคืออะปะจยณนะเนี่ยนะอ่อนน้อมที่เรียกว่าคาระวะหรืออ่อนน้อมเนี่ยนะเคารพอ่อนน้อมอย่างหนึ่งวัยาวัจะนะเอ่อวัยาวัจจะ วัยกรนะนะวายาวัจกรน่ะวยาวจะก็คือการบุญที่ช่วยสำเร็จด้วยการช่วยเหลือการขวนขวายอุปถากรับใช้เนี่ยนะประพพติวัดพวกนี้ก็เป็นบุญประเภทวัยาวัจัะใหมก็เป็นในเนื่องในศีลและกุศลส่วนภาวนานี่จะมีเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือฟังธรรมเนี่ยนะวันนี้คุณวิลาวันมาเจริญภาวนาตั้งแต่เช้าเลยนะ กโมงมาเลยนะก็เพราะว่าฟังธรรมว่าเป็นภาวนาใช่ไหมของมาก็ได้แสดงไงแสดงธรรมก็เป็นบุญประเภทภาวนาแล้วยังมีในหนึ่งก็คือที่ถูกชุ ก, กรรมเรียกว่าทำความเห็นให้ตรงนะจะแยกมาเป็นพิเศษว่าเป็นภาวนาก็ได้หรือจะไม่แยกคื อ, อทานก็ประกอบกับ ญาณสัมปยุตทั้งหมดที่ไปเกิดร่วมเรียกว่ามีที่ถือชู่วกรรมเกิดร่วมด้วยมีขยายทั้งสองในเนี่นยนะมีในคือแยกเป็นหนึ่ ง, งทานสองอสองศีลสาภาวนา 4. อนุโมทิศส่วนบุญหอนุมโมทนาหนอบน้อมเจช่วยเหลือ 8. ฟังธรรมแสดงธรรมสที่ถูชั่วกรรมเนี่นยนะทั้งสิบประการ น, นี่ถ้าจะย่อ ที่ถูกชูวกรรมไปก็เหลือให้ให้ทั้งหมดที่กล่าวไปเป็นยาณสัมปยุทธทั้งหมดนะก็ที่ถูกชูวกรรมก็ไม่มีความพิเศษอะไรเนะี่ยนะก็ก็นับเนื่องในทั้งหมดเหล่านั้นแต่ถ้าจะแยกอย่างนี้ก็ได้10ประการมีทั้งสแสดงแบบแยกและไม่แยกในอัตถกาถาสังคีติสูตรแยกไม่แยกอัถสารีนีนี่แยกเนี่ยนะก็มีทั้งแยกและไม่แยกแต่ก็เนี้ยวนๆเนีน่ยแต่ถ้าย่อมาก็เหลือ ทานศีลภาวนานง่ายดินั่นเงมันก็บอกว่าใครเจริญภาวนาไม่เป็นเนี่ยก็เนี่ยฝึกฟังทำก็ได้ฝึกเทศก็ได้เขาจะได้ภาวนาเป็น น, นั่นเองนั่นเองอ่านพระไตนนะปรปิฎกก็ได้นั่นก็เจริญภาวนาแล้วถ้าอ่านวันละสิบชั่วโมงนี่ก็ภาวนาวันละสิบชั่วโมงอ่ะนะแต่ว่าต้องจิตเป็นบุญนะไม่ใช่ว่า ตานี่ก็เบลออยู่ในพระไตรปิตกตั้งสิบชั่วโมงไปใช่แต่ก็ให้มันเบลออยู่แถวนั้นเถอะเดี๋ยวมันจะต้องได้บ้างอนะสักคำสองคำก็ยังดีนะมา น, นั่งเรียกว่าหลับบ้างตื่นบ้างในห้องเรียนธรรมะดีกว่าไปเย้เ ย, ยอยู่ที่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่มันเป็นอกุศลเนี่ยนะอเอาทีนี้ต่อไปว่าใน มหากุสล8ที่กล่าวไปเนี่ยนะคือกุศลแบ่งเป็นโสมนัสอุเบกขามีปัญญาประกอบไม่มีปัญญาประกอบมีการชักชวนไม่มีการชักชวนซึ่งสรุปไปแล้วคือมหากุสลจิต8มหากุสลจิต8เหล่านั้นเนี่ยถ้ากล่าวโดยอารมณ์ก็คูณกับอารมณ์6เนี่ยนะทีนี้เมื่อคูณกับ ถ้าจะคูณกับอารมณ์6หรือไม่ก็คูณกับบุญยะกิริยาวัตถุ10บนี่น ก, ก็คูณมาอย่างเรื่อยๆแล้วคูณกับอะไรอธิบดีอีก4นะแล้วก็คูณกับทวารสานักกายกายทวารปจีทวารมโนทนะวารวาววาแล้วคูณอีก3คืออย่างเลวอย่างกลางอย่างประณนตก็คูณผลลัพธ์มาเรื่อยๆจิตก็จะ พิศดานมากขึ้นแต่จะเอาย่อๆก็เหลือแปดแต่จะพิสดานก็คูณตามนี้มาเรื่อยนะคูณด้วยอารมณ์นะนะคูณด้วยบุญยะกิริยาวัตถุเนี่ยนะคูณด้วยสี่เมื่อกี้คือแล้วที่บดีสามแล้วก็คูณด้วยทวาร น, นะทวากายกรรมว จ, จีกกรรมมโนกรรมและคูณด้วยอย่างเลวเป็นต้นเนี่ยนะ อย่างเรวอย่างกลางอย่างประณีตแล้วก็ไปคูณกับสัตว์คนนี้ทั้งหมดมีเท่าไหร่สัตว์โลกแล้วก็คูณอดีตอนาคตอีกเอาเฉพาะเนี่ยเฉพาะบุญประเภทฟังธรรมอย่างเดียวนี่ก็โหอ่านพระไตรปิฎกหมดทั้งพระไตรปิฎกเนี่ยนะจะได้จิตเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมเฉนะพาะพูดนี่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยบุญตั้งเยอะละ มันก็ให้มันตัวเลขเยอะๆมันก็ได้เยอะเอา น, น้อยๆก็เหลือเนี่ยจิตที่ไม่มีโทษเน <c oughs> ี่ยนะมันก็สำคัญน ะ, ะการเรียนเรื่องมหากุศลเนี่ยไม่ใช่ให้ให้หยุดอยู่เท่านี้ใช่ไหมควรให้เรียนในความคิดที่เป็นจริงด้วยนะคือฝึกให้จิตเหล่านี้เป็นกุศลนคำว่ามหากุศลเนี่ยกว้างขวางสูงมาก อุปจาระของฌานทั้งหมดทุกฌานเป็นกุศล น, นะของตั้งแต่เจริญกรรมฐานนะตั้งแต่ธรรมดาจนถึงก่อนจะได้ปฐมฌานเป็นมหากุศลหมดหลังจากปฐมออกจากปฐมฌานแล้วมาเจริญทุติยะฌานขึ้นไปนะจนกว่าจะได้ทุติยะฌานก็เป็นมหากุศลจากทุติยะฌานเนี่ยถ้าได้ทุติยะฌานหลังจากนั้นมาเจริญเพื่อให้ได้ตติยะฌานก็เป็นมหากุศล หลังจากที่ออกจากตาติยะชานเนี่ยนะมาเพื่อจะเจริญจตุทชานก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นมหากุศลไปสับวางทั้งในปฐมชาตทุติยาชาตตติยาชาติจตุทชานอาการาวิญญาอากินตลอดจนถึงแม่ตัวที่ไปพิจรารณาเนวะสัญญาก็ยังเป็นมหากุศลเนี่ยนะมหากุศลยังไปสับวางในตัวนั้นอีกเยอะแยะนี่อีกในหนึ่งอีกในหนึ่งมหากุศลที่เกิดจาก ผู้ที่บำเพ็ญเจริญสมถะเนี่ยนะกว่าจะได้บรรลุโสดาปติมัติทั้งหมดก็มหากุศลหลังจากบรรลุโสดาปติมัติโสดาปติผลนะปัจเจเวททั้งหลายก็เป็นมหากุศลแล้วมาเจริญกรรมฐานเพื่อให้ได้มรรคผลชั้นสูงต่อไปอีกก็คือมหากุศลมันมหากุศลเนี่ยก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันก็มหากุศลหลังจากเป็นพระโสดาบันมาเจริญเพื่อเป็นพระสกะทาคามีก็คือ มหากุสลหลังจากเป็น Higher, ations, ier, unique, พระสกาทาคามีเจริญเพื่อเป็นพระอนาคามีก็เป็นมหากุศลหลังจากเป็นพระอนาคามีเพื่อให้เป็นพระอรหันตกมหากุศลหลังจากเป็นพระอรหันต์มาแล้วเรียกว่ากิริยาเนี่ยนะเพราะฉะนั mm ้น hmm. ก um. ุศลเนี่ยคำว่ามหากุศุลนี่กว้างใหญ่ไพศาลมากเนี่ยนะว่าแล้วแต่ว่ามหากุศลเหล่านั้นไปเกิดที่ที่บุคคลใดเนี่ยนะหังจากกล่าวโดยบุคคลเนี่ยมหากุศลนี่กว้างขวางมาก นี่มาดูในอภิธรรมัทสังหาเรามัาง่งคงพอแยกได้นะว่าในหน้าหกหน้าเจ็ดอ่ะนะที่กล่าวถึงมหากรุสุนแปดดวงนี่ก็ตรงนั้นนี่ก็เอาไปจำเนาะไม่ท่องก็ไม่เป็นไรจำไม่ได้ก็ใช้ได้แล้ววัตถุประสงค์อยู่ตรงนั้น แต่ถ้าใครมีวิธีจำง่ายๆก็นี่แหละเวทนาสัมปโยคะและสังขารเนี่ยนะจำสามคำแล้วก็มาค่อยๆ ค, คิดแล้วมันจะเป็นแปดเองไม่ยากรือจะคิดให้มันเป็นเยอะๆก็คูณตามที่กล่าวไปเมื่อกี้นี่นี่ดูดีการหน้าห้าสิบหกท่านอาจารย์ขั้นแสดงจิตสามสิบท่วนอาจารย์คือพระนุรุาาจารย์เนี่ยนะแสดง ทั้ง30ท่วนด้วยอำนาจแห่งกุศลอขอภัยแห่งอกุศลและจิและอเหตุกะจิตดวงอย่างนี้แล้วบัดนี้ประสงค์จะตั้งชื่อจิตที่นอกจากจิต30เหล่านั้นว่าโสพณะจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าปาปาเหตุกะมุ ต, ตานิดังนี้จิตที่พ้นจากจิตที่ชื่อว่าปาปะนะคำว่าปาปะนี้เพราะ ให้บุคคล น, นั้นถูกตนครอบงำถึงความทุกมีทุกในอบายเป็นต้นนะจิตที่เป็นบาปตัวนั้นคืออกุศลจิตสิบสองใช่ไหมใครที่ถูกอกุศลจิตสิบสองครอบงำก็ยังบุคคล น, นั้นให้ไปสู่อบายเป็นต้นเพราะฉะนั้นได้ยินเสียงไก่ขันเมื่อไหร่ให้รู้ว่านี่เป็นผลของอกุศลจิตสิบสองเป็นปัจจัยเนี่ยนะเห็นมดเห็นปลวกเห็นแมลงเห็นอะไรทั้งหลายแหละที่รับรู้ ไอ้รู้ว่าเออเนี่ยอบายทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะอากุศลจิตสิถ้าอากุศลจิตสิไม่เกิดในบุคคลนี้ไซเขาไม่ไปสู่อบายหรอกนี่ในขณะเดียวกันก็มาสะดุ้งว่าเออเราก็ยังไม่ได้ละอากุศลทั้ง12นี่นะเพราะฉะนั้นอบายก็ยังไม่ปิดสําหรับเรานะ